ให้พากันตั้งใจให้ดีในขณะนี้แหละเรามารวมกันอยู่ก็เพื่อที่จะมาหัดตั้งกิดตั้งใจของตนแต่ละคนให้แน่วแน่เพราะฉะนั้นอย่าพากันปล่อยใจให้มันลอยไปทางอื่นกำหนด รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ <illes> ก็เรารู้แล้วนี่ทุกคนก็รู้แลว้วทุกสิ่งไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมือนี่รูน้นตเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งนั่นเลยแต่ว่า เมื่อทําจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้มันกวนไว้ไปตามมันเพราะมันเคยหลงไหลมันเคยหวันไว้มาแล้วนับชาตุไม่โทษอืมดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกใจนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปก็เพื่อไม่ให้มันหนวันไหวไปตามสิ่งที่มันเคยสัมผัสถูกต้องมาแต่ก่อนนั้น ที่มันเคยหวั่นไหวมาแต่ก่อนนั้นเรามาฝึกมาให้มันหวันว่นไหวนี่ต้องให้เข้าใจความหมายของการฝึกผลอารมณ์ตนอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจความหมายแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะทำที่จะฝึกเรื่องมันนะถ้ามันเข้าใจความหมายอย่างวานีิลนาะมันก็ตั้งใจฝึกเต็มที่เลยทีเดียวเพราะมองเห็นอยู่นี่ ว่าถ้าหากว่าเราฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นหนักแน่นลงไปแล้วไม่วันไหวต่อสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาอย่างว่านั้นแล้วเราจะเป็นอิสระเสรีจะมีความสุขความสบายมากเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงได้มั่นใจในการทำความเพียรนะให้พากันเข้าใจ ไอคนที่ไม่สนใจในการที่มาฝึกผลจิตใจตัวเองนี่ก็เนื่องมาแต่มันมองไม่เห็นเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเลยจำเป็นต้องปล่อยใจข้งตนให้ลอยไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจบ้างอันเป็นที่น่ากเกลียดน่าชังบ้าง เพราะว่ามันเคยเกาะเคยคล้องมาแล้วนับชาติไม่ทวนไงจนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมานี่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราผู้ใดไม่มีการฝึกไม่ทวนกระแสจิตแล้วมันก็มันก็เดินตามคลองเก่านั่นแหละที่มันเคยเกาะเคยคล้องมาอย่างไรเคยผูกพันมาอย่างไรมันก็ผูกพันอยู่ไปตามเดิมมันอืม เหมือนยังคนที่อแต่งง้อมแต่งงานมีพ่อมีเมียมูนี่ตั้งแต่ชาติก่อนนั้นมันก็เคยมีมาแล้วนั่นแหละเคยผูกพันกันมาแล้วกรจำนั้นมันก็นวงเหนี่ยวเข้ามาพบกันเข้าไปอีกก็ไปผูกพันกันเข้าไปอีกอย่างนี้เนยะกร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปอยู่อย่างนั้นะร่วมทุกข์นั่นแหละหลายคนร่วมสุขนะ ผู้ครองเรือนแล้วคงจะรู้ดีเร้นเสียแต่ไฟได้ไฟหนึ่งนั่นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแล้วแยกตัวออกไปบำเพ็ญพจนให้สูงขึ้นไปแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่ได้ผูกพันกันต่อไปอีกทีนี้ ต่างคนต่างก็นําชีวิตของตนไปตามวิถีทางของตนก็เป็นอย่างนี้แหละในโลกสงสารอันนี้นะผู้ที่หนีออกมาบวชได้แต่ก่อนก็คลองเรือนมานับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันแต่เมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันทั้งมองเห็นโทษท่านี้มองเห็นโทษของการคลองเรือนว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่ความลําบาก แล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันทีนี้มองดูให้ลึกซึ่งด้วยปัญญาแล้วไม่มีใครได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวอย่าว่าแต่สมบัติภายนอกอัตภาพร่างกายนี่ยังไม่ได้เอาติดตัวไปยังไม่อยู่ยั่งยืนนานอะไรเลยก่อตั้งขึ้นมาแล้วหนอกนก็แตกสลายลงไปกองอยู่ดินนั่นไอดวงจิตนี่สิ มันมีปัญหาแบบนี้นะเนี่ยจะต้องเสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้เนื่องมาแต่ตนทํากรรมดีก็ทําทกรรมชั่วก็ทำแต่อย่างนี้มันก็ทั้งในเสวยทั้งสองอย่างไปอย่างเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็ต้องทบทวนดูก็ได้บางขราวก็มีความสุขมาบางขราวก็ประสบกับความทุกข์ ความเดือดร้อนเสียอกซกใจอยู่อย่างนั้นนะ่ะนี่ก็นึงมาแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำออกมาแต่ก่อนนะันะมันมาอำนวยผลให้แต่คนเรามันไม่ได้หวนนึกคิดอย่างว่านี้แม้ว่าตนได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรก็มีแต่ร้องครวญครางไปอยู่อย่างนั้นแทนที่จะนึกคิดว่า ออที่เป็นทั้งนี้เข้าใจว่าแต่ก่อนเราคงทํากรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมามันจึงตามมาสนองเอาเอาและต่อเ น, นี้องไปเราจะไม่ทํากรรมชั่วด้วยกายเราจะไม่พูดชั่วด้วยวาจาเราจะเมตไม่คิดชั่วทางใจเราจะทำแต่ความดี อ, อทําแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดเป็นโทษเป็นภัยแล้วเราจะไม่ทํา ไอ้ผู้ที่จะมานึกคิดอธิษฐานจิตใจของตนเองดังว่าเนี่ยเข้าใจว่ามีน้อยเต็มทีอืเพราะเหตุนั้นคนส่วนหลายันจึงจมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ผู้ที่ถอนตนออกจากห่วงแห่งกองทุกข์มีน้อยเต็มทีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรกันได้ เพราะต่างคนต่างมีกรรมเป็นของของตนต่างคนก็ต่างเสวยผลกรรมของตนของตนไปผู้ใดซึ่งมีบุญกุศลพอสมมาสมควรอย่างนี้นี่มันก็บันดาลให้มารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะได้เพราะมีความคิดเห็นตรงกันพอมาคิดเห็นความทุกข์ในวตาสงสารอันนี้ เพราะเหตุที่ไม่รู้ธรรมของจริงอจึงได้มาง่วงอยู่ในสงสารอันนี้ตางคนต่างคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้หันหน้าเข้าหากันชกักชวนกันแสวงหาออหนทางที่อยาให้รู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อันนี้เรียก ว, ว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควร แต่เมื่อมาเทียบกับคนหมู่ใหญ่แล้วนับว่ามีปริมาณน้อยเต็มทนผู้ที่มีความคิดเห็นดังว่านี้นะจึงปรากฏว่ามีผู้สนใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีน้อยเต็มทีผู้นะนนำสั่งสอนนี่ก็หวังอยากจะชักชวนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะ ให้มาหวนึกทบทวนดูชีวิตของตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังบรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนั่นนะแล้วเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรแล้วเหตุที่ได้สบยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะเหตุปัจจัยอะไร เหตุที่ได้เสวยความสุขนั้นเพราะอะไรถ้าผู้ใดมาทบทวนดูแล้วมันก็จะรู้ได้นะอตนจะมีความสุขอยู่ได้นี่ก็เพราะบุญเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ขอใจในการสั่งสมบุญเรื่อยไปตนได้ประสบความทุกข์ทนทรมานอยู่นี่ก็เพราะบาปเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็เกลียดบาปก็ไม่สะสมบาปต่อไป ถ้าบาปอนไดที่ลุ่มหลงทำมาแล้วก็เพียนพยายามกำหนดใจละมันเลื่อยไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปถ้าไม่กำหนดใจละไม่อธิษฐานใจละบาปนี่มันก็ไม่หมดจากดวงขิดต้องให้เข้าใจแม้ว่าผู้รู้ตัวแล้วแล้วก็งดเว้นไม่ทำบาปแล้วต่อไปก็ตามแต่บาปเก่าสิถ้าตนไม่อธิษฐานใจละแล้วมันจะตามสนองไปให้ได นี่ต้องคิดให้ได้เรื่องนี้นะดังนั้นท่านจึงแนะนำสั่งสอนด้วยว่าเมื่อไหวพระนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบให้เบิกบานแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลเกิดจากสมาธิภาวนานี้ให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นมิตรก็ดีเคยเป็นศัตรูกันมาก็ดี ก็ขอให้ได้รับอนโมธนาส่วนบุญกุศลที่อุทิศไปนี้แล้วก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้จองกรรมจองเวรกันต่อไปเลยอันเมื่อได้แผ่เมตตาจิตอุทิศความดีที่ตนกระทาบาเพ็ญมาอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วก็กรรมเวรที่มันคอยตามสะกดรอยจะให้ผลนั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไป อย่างนี้ก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอนิสงส์แห่งเมตตาธรรมนิวัยถึงสิบอย่างนุ่นเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้เจริญเมตตานะแล้วนอนหลับไปก็ฝันดีไม่ฝันร้ายไม่ตายด้วยยาพิษยาเบื่อไม่ตายด้วยอาวุธ สัตรามีผิวพันวัณะพองใสคนมีเมตตาทรรมอยู่ในใจนะการทำสมาธิก็จิตใจสงบด้วยได้รวดเร็วทีนี้เมื่อเวลาจะชิ้นสีบทำลายขันก็ไม่หลงไม่ลืมตัวนั่นแหละถ้าหากว่าผู้จเจริญเมตตา สูงขึ้นไปจนได้บรรลุสมาธิบรรลุฌานสมาบัติเช่นนี้หมดอายุสังขารลงแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกมีอายุยืนยาวนานตั้งกับตั้งกันนุ่นหลายกับหลายกันทีเดียวอันนี้สงแห่งฌานสมาบัตินี้นั่นไง ผู้ใดเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตอุทิศความดีของตนให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูทั้งที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่ศัตรูก็ตามก็จะทำให้บาปกรรมของผู้นั้นที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมั น, ม น, มนเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้บาปกรรมเหล่านั้นจะไม่ตามสนองบุคคลผู้นั้นต่อไป นี่ให้พึ่งพากันเข้าใจข้อสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิได้รวดเร็วนี่อันนี้สงแห่งเมตตาธรรมก็นับว่าเป็นความจริงทีเดียวเลยเพราะว่าผู้ที่มีเมตตาจิตแล้วมามองดูจิตของตนนี่ไม่เกลียดใครไม่ชังใครเลยไม่คิดอิจฉาใคร ไม่วิตกวิจารว่าคนนั้นเบียดเบียนเราคนนี้ข่มเหงเราไม่วิตกรลยเพราะว่าเราให้อาภัยเขาไปหมดใครจะคิดเป็นศัตรูต่อตอนตนก็ไม่คิดตอบโต้ยกโทษให้อาภัยให้ไปหมดดังนั้นเมื่อมาทบทวนดูจิตของตัวเองนี่ มันจึงเห็นว่าเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจริงๆไม่อิจฉาพยาบามใครรู้จักให้อภัยแก่ศัตรูได้ตลอดเวลามเมื่อเป็นเช่นนี้นะการน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็เป็นไปได้ดีจิตก็สงบลงไปได้ง่ายนี่ <c oughs> บุคคลผู้มันทำสมาธิ โยมีจิตใจตั้งมั่นมีสติแก่กล้าอยู่ในตนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก็ตามทันเมื่อเวลาจวนจะชิ้นซีบทำลายขันนั้นก็มีสติเต็มที่เลยไม่หลงไหลาตายหมายความว่างั้นนะตายอย่างคนมีสติคนมีสตินี่หมายความว่าควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ยึดมั่นถือไม่อะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในเรื่องอดีตอนาคตไม่ให้มาเกี่ยวข้องอยู่ในจิตใจนี้เลยเนี่ยที่ท่านเรียก ว, ว่าไม่หลงไหลาตายนะ น, นะคำว่าผู้หลงไหลาตายนี่หมายความว่าเมื่อเวลาจวนจะตายนี่มันไม่มีสติควบคุมจิตได้จิตก็ละเมอเพ้อฝันไปยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้อยู่ ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางทั้งที่สิ่งที่ใจไปยึดไปถืออยู่นั้นมันก็ล้วนได้เป็นของไม่เที่ยงไม่ทนทานท้าวรอะไรแต่เมื่อมันหลงมันเมาแล้วมันก็พวัวพันไปอย่างนั้นเนี่ยนี่ท่านเรียววัดหลับตาตายไม่ใช่ลืมตาตายดังนั้นผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยฝึก ใจของตนไว้ให้แน่วแน่อย่าให้มันไปหลับตาตายอย่างว่าเราต้องลืมตาตายตายทั้งที่รู้ตัวอยู่นั่นนะนั่นแหละจะเป็นหนทางไปสู่สุคติได้ถ้าหากว่าบุญวัดรัาย์หนาบารมีแก่กล้าอย่างนี้บางทีก็อาจบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ในเวลาชวนจะชิ่นศีบทาลายขัน มีอยู่ในพุทธศาสนานี่นะบางท่านบางองค์ก็ได้บรรลุอรหัตตะผลพระองค์หนึ่งไปบำเพ็ญอยู่ลูกขมูลกับหมูนะเสือมาคาบเอาไปทีแรกก็ร้องให้พระพวกช่วยพระที่เป็นเพื่อนก็เตือนสติให้ท่านอย่าประมาทให้มีสติ ให้ปรองให้วางมันลงเสียขันห้าเนี่ยอย่าไปหวงมันมันจะได้พ้นทุกไปจะไม่ได้กลับมาให้เสือกินอีกท่านได้รับคาเตือนจากพักพวกแล้วก็ตั้งสติพิจารณาปรงขันห้านี้ลงในที่สุดก็ได้สาเร็จอรหั ต, ตผลอยู่ในปากเสือแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยนี่ เนี่ย น, นะการฝึกฝนจิตใจเนี่ยถึงชื่อว่าเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆสําหรับผู้ที่เบื่อทุกภายในสงสารนี่อันผู้ไม่เบื่อไม่ไน่ายนี่มันจะไม่สนใจจะมาฝึกฝนแล้วนี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยังวะผู้ที่ยังเพลิดเพลินอยู่ในกรรมคุณมากมายนี่ไม่มีทางที่มันจะมาสนใจฝึกฝนอบรมจิตให้สงบระงับอย่างว่ามานี่นะ เพราะว่าถ้าว่ามาฝึกฝนใจให้สงบลงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ได้คิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านั้นอืมดังนั้นเมื่อมันยังพอใจอยู่ในความรักความใคร่เหล่านั้นมันก็จึงไม่ได้สนใจที่จะมาฝึกฝนร่มจิตของตนอันผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในสงสารแล้วแต่ว่าบินสียังอ่อนอยู่ จะห น, นีออกไปบวชก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรออยู่บ้านอยู่เรือนก็ฝึกอยู่ในบ้านเรือนของตนนั่นแหละได้โอกาสเวลาไหนก็ทําสมาธิภาวนาหรือไหว้พระสวดมนต์เข้าไปอเพ่งจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบให้ได้ไม่ส่งเสริมความคิดความนึกความปรุงความแต่ง ที่เคยปรุงเคยแต่งมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่ไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าคิดม า, มากมากแล้วไม่เห็นจะทนทุกข์มีแต่ทุกข์คิดหลายเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้นนี่มันก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละคนเรานะถ้าไม่เตือนตนอย่างนี้มันไม่ตื่นตัวถ้าเตือนตนได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวเออจริงจง เราเป็นทุกข์เพราะความคิดของตัวเองแ่แท้ไม่ใช่อย่างอื่นใดมันคิดแท่อย่างนี้มันก็เพ่งจิตนี่เข้าไปนะนี่สะกดจิตนี่เข้าไปมเมื่อสติมันยังเข้าถึงจิตคมจิตไว้ได้แล้วมันก็หยุดคิดได้ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรนะ ม, มันสำคัญอยู่ที่สตินี่มากที่สุดทีเดียว การฝึกจิตใจอันนี้นะการที่สติมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราฝึกทุกอิริยาบถไปเลยระลึกถึงกายถึงใจนี่ให้ให้มากที่สุดยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเราทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายดูจิตนี่ มาสำรวมจิตนี้ให้เป็นปกติอยู่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ควรคิดก็ไม่คิดมันเลยพยายามระ ง, งับความคิดภายในจิตใจในี้ไว้เสมอไม่ส่งเสริมความคิดปฏินี่ก็เราทวนกระแสจิตดูแลนี่ว่าที่เรื่องราวที่เป็นชอบคิดหมกนั้นพิจารณ า, นานดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะ ก็เมื่อเห็นว่ามันความคิดปรำประลาเหมือนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็เอาอะไรสะกดจิตนี่ไว้เลยอาศัยสตินี่นะเพ่งจิตนี่เข้าไปเพ่งความรู้สึกอันนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอกเมื่อสะทิมแก่กล้าเข้าไปเท่าไหร่จิตมันก็อยู่ได้มันก็หยุดคิดลงได้นี่แต่แต่มันก็ต้องอดทนแหละ การทำความเพียรอย่างว่านี่นะถ้าไม่อดทนแล้วมันทำไม่ได้มันอุปมาเหมือนอย่างที่เขาไปสักสุ่มในหนองนั่นนะเขาไปเจอปลาตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปแล้วปลานี่ยมันรว่ามีอะไรมาครอบตัวอยู่แล้ววันนี่มันก็ดิ้นหาทางออกนั่นแหละถ้าหาว่าเจ้าของไม่แข็งแรงอะ ปลาตัวใหญ่นี่มันดันเอาสุ่มเพิงไปเลยมันก็หลุดออกไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสตินี่ไม่แก่กล้าทำความเพียนเพ่งพินิดเข้าไปอย่างนี้นี่กิเลสมันดันขึ้นมาเน่ะสติอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้มันก็ทนไม่ไหวต้องคิดไปตามอารมณ์นั้นตามกิเลสนั้นนั้น เหมือนอย่างปลามันถูกอยู่ในสุ่มเขานั่นเลยถ้ามันกดสุ่มนั้นไว้ไม่แรงปลามันดันออกไปได้เลยอนี่เราต้องสู้อยูว่วะเราต้องอดต้องทนนะการทำความเยนทางใจนี่ตั้งแต่การงานอย่างอื่นเรายัางอดอยังทนนะต้องนึกเทียบเปรียบเทียบกันดูอย่างนั้นสิ งานอย่างอื่นซึ่งไม่ค่อยมีสาระแกนสารเท่าไหร่นักยังอดยังทนสู้ทํากันอยู่อย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นทนํานาทําสวนหมดเนี้ยไม่ใช่มันของง่ายหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปวดหลังปวดเอวอืเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายัางไงก็สู้กันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ถึงเวลาเลิกก็ไม่เลิกอืม ถ้าขืนไม่สู้อย่างนั้นการทํานาทําสวนอะมันก็ไม่ได้ผลเลยแบบนี้มันจะล่าชา้าจะเลยระดูการไปเมื่อมันเลยระดูการไปแล้วมันก็ทําไม่ได้เหตุนั้นต้องรีบเร่งทําให้มันทันกับระดูการเช่นทํานาก็ต้องรีบเร่งทันทําไปให้มันทันกับรดูฝนถ้าหมดฝนแล้วทําไม่ได้อันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนะ การทําความเพียรทางขิตใจนี่เมื่อเวลาที่ยังหนุ่มแน่นมีกําลังวังชาดีอยู่นี่ก็รีบเร่งประกอบความเพียรเข้าไปอย่างเข้มแข็งเช่นนี้แหละก็เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วนะกําลังกายอะไรก็ทดถอยน้อยลงไปแล้วมันจะทําความเพียรเดี่ยวๆอย่างนั้นไม่ได้เลยอืม มีแต่นั่งสเสวยผลของมันอยู่มีแต่ทำความเพียรทางใจอย่างเดียวความเพียรทางกายนี่จะให้เหมือนแต่ยังหนุ่มไม่ได้ผู้ที่บากบันมั่นหมายแต่ยังหนุ่มแน่นเข้าไปชำระละ้งกิเลสหยาบๆต่างๆให้มันเบาบางไปจากดวงขิดได้ถ้าอย่างมันเหลือก็ให้เหลือแต่อย่างกิเลสอย่างละเอียดเข้าไปอย่างนี้ เมื่อถึงวัยชรามาแล้วมันก็ยังชั่วอืมันก็ไม่กิเลสอันละเอียดไม่ไม่ไมคุกคามจิตใจให้เดือดร้อนเท่าไหร่นักนี้มันก็ใช้ปัญญาอันละเอียดสุขุมพิจารณากันแก้ไขกันไปไม่ได้ออกกําลังทําความเพียรอย่างเข้มงวดเหมือนอย่างเมื่อยังหนุ่มยังแน่นนะอมันเป็นอย่างนั้น เหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนรีบเร่งให้ทันกับฤดูกาลนั่นเองเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องเตือนตนน ะ, ะเมื่อเวลาตนยังมีกำลังวังชาดีอยู่นี่อย่าประมาทนะต้องรีบเร่งทำ อ, อย่างนี้เมื่อเฒ่าแก่ชรามาแล้วมันจะทำไม่ได้เตือนตนเข้าอย่างนี้มันก็รีบเร่งเข้าไปเลย คนหนุ่มนี่เมื่อทำความดีอะไรเนี่ยมันมีผลมากเพราะมันทำได้มากมันแข็งแรงอืออย่างนี้เลยดังนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ที่ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์นั้นส่วนมากเป็นแต่คนหนุม่มอือคนแก่นะ่้นมีน้อยเต็มทีคนหนุ่มทั้งที่ยังไม่ได้ครองเรือนนี่แหละเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ทกคนเหล่านี้เมื่อได้ฟังคําสั่งสอนของผู้เตี้เจ้าแล้วอย่างนี้มารู้แนวทางออกจากทุกข์ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละนับว่าเป็นแนวทางออกจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมองหน้ามองหลังดูแล้วตนไม่มีพันธะอะไรเลยแบบนี้ตัวคนเดียวะเช่นนี้มันถึงได้หนีออกบวชได้ง่ายได้ ถ้าผู้ที่เดกครองเรือนมาแล้วนี่มันยากเต็มทีเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัท ธ, ธาขึ้นมาอย่างนี้กลัวจะหนีออกบวชได้นะมันต้องพยายามเต็มที่เลยต้องปดนั่นต้องเปลืองนี่อยู่งั้นไนงะกลัวจะสลัดมันออกมาได้แต่บางคนก็ออกไม่ได้เลยเพราะอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ถึงจะมีศรัท ธ, ธาอยากบวชก็บวชไม่ได้ บวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในบ้านในเรือนนั่นก็พอเป็นอุปนิสัยปัดใจไปได้อยู่บุคคลผู้ไม่ประมาทคนะนผู้ประมาทแล้วถึงบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรก็มักจะไปสะสมบาปอกุศลใส่ตนนั่นแหละคนประมาทเนะี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ บวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ประมาทนี่นับว่าได้บุญมากได้บุญได้กุศลมากกลัวผู้อยู่ครองเลือนอีกซ้ํามัอมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่มีใครนะจะมาช่วยเราได้การทําความเพียรทางใจนี่นะทุกคนต้องช่วยตัวเองเลอครูบาอาจารย์ก็เป็นได้เพียงเนะแนวทางให้เท่านี้เลย ถ้าตนไม่ทําด้วยตนเองแล้วก็มันก็ไหลเข้าไปแล้วแล้วจะใครจะมาหยิบยกเอาบุญเอากุศลมาให้เราใครจะมาสำาักลากีิเลสบาปธรรมออกจา ก, กจิตใจให้เราได้ไ ม, ม่มีทุกคนต้องให้เตือนตนอย่างนี้ให้มากๆเข้าไปได้อย่างนี้มันก็เป็นไปได้ทีเดียวแหละ การสั่งสมบุญกุศลนี่การแสวงหาทางมรรคทางผลนี่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเราเดินถูกทางแล้วแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่เต็มที่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้อย่างนี้นะมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปพอไปได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ย อย่างนี้นี่ได้ฟังคำสอนของพระ อ, องค์แล้วก็สามารถวันลุบมะขนได้รวดเร็วผู้ขมักขม้นไปตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้นั่นแหละทำกิเลสหยาบๆยาให้เบาบางออกไปเลยอย่างมีเหลือก็ให้กิเลสอย่างกลางหรืออย่างละเอียดอย่างนี้นะ นี่พอได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดพระองค์หนึ่งมันก็เห็นแจ้งไปตามเลยอย่างที่ประวัติของพระสาวกตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามานั้นเนี่ยบางท่านก็สามารถบรรลุอรหัตผลตอนเป็นครืงหัดอยู่นั้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พอพระ อ, องค์แสดงธรรมจบลงก็ขอบวช ท, ทันทีพระ อ, องค์ก็บวชให้ท่านก็ได้สเสวยอรหั ต, ตผลอ น, นันอยู่ไปจนหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนี่แหละการที่เราเอาทุกเป็นทุนฝึกขนตนไม่เห็นแก่ความยากความลำบากนี่ย่อมจะทาให้อินทรียบารมีแก่กล้า